ศีลสมาธิปัญญาของพระบรมศาสด า, ษ า, ษา<ม>ก็ดีก็มีอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ขึ้นอยู่กับท่านทัุรุ<ม>แล้วไม่รู้อีกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในปัจจุบันหมด ท, ทั้งทั้งใจโลกธาตุหรือนอกโลกหรือจักรวาล น, นอกจักรวาลใครจะรู้แล้วไม่รู้ไม่เป็นปัญหาทำแปลว่าทรงอยู่ทรงอยู่ซึ่งโลกียะธรรมก็ทรงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน ถึงคนจะไม่ทรงอยู่ในหัวใจก็ตามธรรมชาติของธรรมก็มีอยู่ไม่มีกลางวันกลงคืนไม่รบเลือนไปทางไหนเลยผู้ถือว่ามีบาปมบุญก็ถืออยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ถือว่าไม่มีบาปไม่บุญก็ถืออยู่ไม่มีกลางวันกลงคืนไม่วางจากหัวใจผู้พ่นไปแล้วก็พ้นอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ตะเกียกตะกายอยากระพ้่นดูควาจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลงคืนไม่มีเวลา ไม่มีวันทิศวันเสาร์ไม่นอนไม่หลับความจริงดินน้ำไฟลมก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใครจะนึกเห็นหรือไม่นึกเห็นก็จริงตามสมมุติอยู่อย่างนั้นของจริงยอดลงมาเป็นสี่อย่างจริงในทางทุกข์ก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเรียกว่าอาริยสัจจังเรียกว่าอาริยสัจสี่จริงในทางสมมติไทยเหตุให้เกิดทุกข์ ความเอยอทะยานชื่อว่าสมุทัยเพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้เจริญมัชมีศีลสมาธิปรรัญญาก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้พยายามทําให้แจ้งหรือแจ้งแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนจริองอยู่ทุกอยาก่างทุกอยาก่างเหตุนั้นพระบรมศาลาจึงสอนให้รูตร้ ต, ตามเป็นจริงเลือกปฏิบัติตามเป็นจริงในสิ่งที่ควรปฏิบัติยิตใจ มันนึกคิดอยู่ไม่มีกลงวันกลงคืนแต่จิตใจผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสานามันมีขอบเขตสิ่งที่ไม่ควรส่งเสริมก็มีเช่นมันนึกไปในทางกามาวไม่ตกก็ไม่ควรส่งเสริมมันถ้ามันนึกไปในทางพยาบาทไม่ตกก็ไม่ควรส่งเสริมมันนึกไปในทางวิหิงสาวิตกก็ไม่ควรส่งเสริมมันควรพยายามห้ามเบรกห้ามรั่มมันเมื่อไม่ส่งเสริมมันมันก็เลยกลายเป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาอยู่ในตัว กายเป็นพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ในตัวถ้าส่งเสริมกว่ากลายเป็นพยามารอยู่ในตัวนั่นมันเกิดขึ้นที่ใจนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นจิตใจเป็นของนึกคิดอยู่ไม่มีกลางวันคืนสิ่งที่ไม่ควรส่งเสริมก็คือกามาวตกพยาบาดวตกวิหิงสาวิตกนั่นเองกามเวตกความส่งเสริมในทางการพยาบาทเวตกความส่งเสริมในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความส่งเสริมในทางเบียดเบียน สิ่งเหล่านี้พระบรมศาสนาทรงให้ผู้ปฏิบัติเพื่อพนทุกข์ในวัฏสงสารพยายามห้ามเบรกข้ามรอมันเมื่อเราห้ามเบรกข้ามรอมันก็เท่ากับว่าเรามีข้อวัดปฏิบัติเรามีสติอยู่อย่างนั้นเรามีสิ่งที่เตือนใจมีพระพุทธธรรมประสงค์เตือนใจอยู่ในที่นั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เหลืองเจ้งบวกบาปอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเราไม่สามารถเราจะ พยายามไม่บวกบาปเราจะบวกแต่บุญให้พออารมณ์ของผู้สนใจเพื่อพนทุกข์ในวัฏสงสารมันเป็นอารมณ์ไปทางบุญมากไม่ทานก็ต้องศีลก็ต้องภาวานาเป็นอารมณ์ของคนพวกนั้นไม่พุทธธรรมสงก็อันใดอันหนึ่งลงกลมกืนกันในทางที่ชอบเรียกว่าภาวานาความเสื่อมคือความเจริญไม่ได้อยู่กับวิญญาอากาศภายนอก ถ้าเสื่อมก็เสื่อมออกจากพระพุทธศาสนาก็ถ้าจเจริญก็จเจริญเข้าในทางพุทธศาสนาใครเป็นผู้เสื่อมออกจากพระพุทธศ า, า, อนอากกนนสนาก็นอกจากกิตใจไม่มีอันไรจะเสื่อมออกนอกจากกิตใจก็ไม่ไม่มีอันได จ, จะเจริญขึ้นนั่นเพาะใครค้องมันก็ตรวจดูเอาคนอื่นตรวจใหาไม่ได้วันคืนของผู้มีสติเป็นวันคืนที่มีคุณค่าวันคืนของผู้มีไม่มีสติ อยู่กับอารมณ์ของธานวัตศีรวัตภาวนาวัตอะไรอันหนึ่งเป็นวันคืนที่เสียเฉยเป็นวันคืนที่เสียเวลาของเจ้าของเมื่อยังไม่พ้นทุกข์อยู่ตราบได้ก็เป็นหน้าที่จะสร้างกุศลผลบุญตามสติกำลังของตนอยู่ตราบนั้นเวลาชวนแจอยู่ทุกวันเสี่ยงบุญเสียงกรรมอยู่ทุกวันคืนเวลา เราจะรู้ว่าเสียงหรือไม่เสียงก็ตามความเป็นจริงก็เสียงบุญเสียงกรรมอยู่ทุกวันคืนเสียงบุญเสียงกรรมในทางแห่งชีวิตชีพจรไม่เดินก็ต้องไปลมหายใจเข้าไม่ออกก็ต้องบอกว่าไปลมหายใจเข้าไม่ออกก็เล่าว่าไปอกีกเหมือนกันไปทางไหนผู้สั่งสมบุญก็ไปหาบุญผู้สั่งสมบาปก็ไปหาบาปผู้ไม่มีกิเลสก็เข้าสู่พระภา พูดถึงพระสวสดา a ันก็ไปตามเรื่องพระสวสดา a ัน n พูดถึงสักขาคามีก็ไปตามเรื่องพระสักทาคามีพูดถึงอนาคามีก็ไปตามเรื่องอนาคามีพูดถึงพาาระอรหันต์ก็ไปตามเรื่องของพาาระอรหันต์แม่ตั้งท่าก็ได้ไปเ พ, พททราะพระธรรมส่งไปเพราะมันไม่มีประตูเปิดก transfer, กเก๊กเก๊กเหมือนพวกเราประตูภายนอกเพราะประตูภายในประตูทีประตูใจมันเปิดไม่ดังประเอทธรรม ผู้สนใจในทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีข้อวัดผู้ไม่สนใจในทางพุทธศาสนาเป็นผู้ไม่มีข้อวัดจิตใจไม่มีข้อวัดจิตใจนับวันต่ําลงจิตใจนับวันสูงขึ้นก็เพราะบุญบวกบุญจิตใจนับวันต่ําลงก็คือบาปบวกบาปดินฝ้าอากาศต่ําไม่เป็นปัญหาดินฝ้าอากาศสูงไม่เป็นปัญหา ถ้าสูงไปในทางบนก็ยากว่าสูงไปทางดีถ้าสูงไปทางบาปก็รากกว่าสูงไม่ดีแบาป บ, บุญคุณโทษก็มีอิสระอยู่กับแต่และท่านละคนจะสร้างขึ้นไม่มีอิสระอยู่กับท่านผู้อื่นของใครของมันยอมตายไม่เสียดายแก่ชีวาอุทิศต่อพระพุทธศาสนาอยู่ทุกเมื่อเลือดทุกหยดจะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณแลยขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อผูกขาดจองขาดอธิษฐานไว้ยอย่างนั้นตั้งสัตว์ไว้อย่างนั้นถึงแม้จะลืมก็เรียกว่าในระลึกถึงอยู่ไว้มีกลางวันกลางคืนเพราะอธิษฐานไว้ยอย่างนั้นแล้วเมาตั้งสัตว์ไว้อย่างนั้นแล้วสัตจังเมเอามาตังสัตจัง คำจริงเป็นคำอันไม่ตายสัจจังเวอมตาตยวายจาวาจาจริงเป็นวาจาอันไม่ตายสัจจังเมอมาตงังสัจจังความสัจเป็นคำอันไม่ตายทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่เพราอมดเราจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่หรือไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็เป็นเรื่องของกิจของใจแต่ละบคุคคลเพราะสิ่งต่างๆมันมีอยู่ครบแล้ว เราจะเอามาใช่ถูกหรือไม่ถูกมันก็เป็นเรื่องของกิจของใจของสติปัญญาแต่ละท่านแต่ละคนเท่านั้นถ้าหากว่ากิเลสเรายังมีอยู่เรารู้จักว่ากิเลสเรามีอยู่ก็จําเป็นหน้าที่เราจะได้ปฏิบัติตามสติกําลังของเราถ้ า, าว่าเรารู้ว่าเราพ้นแล้วแต่มันพ้นจริงแล้วก็ไม่มีการปฏิบัติก็อยู่ไปพอถึงวันตายก็ไดยเข้าเข้าสู่ผลิพานเท่านั้นถ้าเรารู้ว่ากิเลสของเรายังมีอยู่อย่างนี้ ใ, um galaxies, ใครก็ไม่รู้เท ah ่าเราโรคโวดหลงใครก็ไม่รู o, ้เท่าเราหรอกเรามีขนาดไหนเราก็ต้องรู้เราเราไม่มีขนาดไหนเราก็ต้องรู้เราเหตุนั้นจึงเป็นสันทิฏฐิโกรงโอเห็นเองผู้อื่นบางทีให้คะแนนเราเกินไปก็มีบางทีบุบก็มีเอาเป็นประมาณไม่ได้เราต้องรู้ตัวของเราใครก็ไม่รู้เท่าเราเก็บที่ไหนใครก็ไม่รู้เท่าเราเราหรอกเราไปโรงพยาบาลเขาถาม เขาก็มาถามเรานี่เองเก็บที่ไหนเก็บที่ไหนไม่ใช่เขาว่าท่านเก็บที่นั้นท่านเก็บที่นี่ท่านเป็นขนาดนั้นท่านเป็นขนาดนี้เขาไม่ได้ถามเขาไม่ได้ตอบอย่างนั้นท่านเก็บที่ไหนกี่วันมาแล้ว <c hips> เขาก็ถามเราก็ต้องตอบเขาเพราะคุณหมอเขาต้องมาอาศัยเรานี่เองเราต้องบอกชั้นหนก็ดีเราประพฤติขนาดไหนว่าเราเลื่อมใสพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขนาดไหนว่าเราเชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขนาดใดบ้า เราก็ต้องตอบเราได้ไม่มีใครผู้อื่นจะมาตอบให้จะให้มาคะาเงนเราไม่ประพฤติเพื่อเอาคะาเง น, นกับท่านผูใน้ใดเอาคะาเง น, นกับตัวเองสิ่งไหนที่ถูกเราก็ต้องรู้จักถ้าเรามไม่รู้จักเรื่องที่ถูกเราก็ทําถูกไม่ได้เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักทางที่ผิดเราก็ละความผิดไม่ได้เหมือนกันนั่นเรายินดีในโลกทั้งปวงขนาดไหนเราก็รู้อย่างนั้นเราจะพยายาม เห็นโทษในความที่เราหลงอยู่ในวัฏสงสารขนาดใดเราก็รู้ตัวเราอยู่คนอื่นก็ไม่รู้ของใครของมันกรรมฐานอันใดดีดมดทุทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีลมหายใจเข้าออกก็ดีขอให้แต่ทําให้เกิดให้มีเท่านั้นเกิดก็เกิดขึ้นอยู่ที่ใจเรามีก็มีอยู่ที่นี้ถ้าเราทําให้มีก็มีอยู่ที่นี้ถ้าเราทําไม่ให้มีมันก็ไม่มีอยู่ในที่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราหมดเรามีอิสระหมด <ersch> ความข Slack, s, ี our, exactly. no ca 小小้เกียจขี้ข้านก็เรามีอิสระความเที่ยะขยันเราก็เรามีอิสระทางนั้นอืความโง่ก็เป็นอิสระของเราแต่ความฉลาดก็เป็นอิสระของเราอีกเหมือนกันความขี้เกียจก็เป็นอิสระของเราความขยันก็เป็นอิสระของเราเหมือนกันไม่มีใครมาแย่งอิสระเลยนั่นก็พระผู้เป็นเจ้าไป็ผู้สร้างขึ้นพระพูที่เจ้าติดพระพู้เเจ้าใจสร้างขึ้นไม่มีคนอื่นมาสร้างให้ เรามาเกิดกับเิดามันดาผูย่าตาทวดของเราเป็นวงตระกูลของท่านก็ดีก็ด้วยอำนาจวัฒนะที่เราได้เคยสร้างกับท่านมาแต่ก่อนๆเราจึงได้มาเกิดกับท่านเราคงได้เคยสร้างบา ร, รมีมาแต่ก่อนๆแล้วจึงได้มาเลื่อมใสในพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าจะโผลมาในชาตินี้เราก็เรื่อมใสเลยเป็นมนุษย์มาหลายชาติหลายภพแล้วเทวดาก็ออกไปจากมนุษย์ พรมก็ออกไปจากเทวราพระรหันก็ออกไปจากพรมอีกเหมือนกันคือพร ม, มจันท์คนที่ไปสู่พระน涅槃ก็ไม่ใช่ว่ามาจากไหนก็ไปจากเมืองมนุษย์ทั้งนั้นมาจากรัตติรชาดอีกด้วยผู้เกิดในวัฏรงสารนี่มันมีมากมันเกิอดอยู่ทุกวันและมันก็ตายอยู่ทุกวันเหมือนกันทําไมจึงไม่เกิดมีตายอยู่ เพราะผู้ท่องเที่ยวในวัดตาสองสารไม่ขาดระยะผู้ไปสู่พระนิพพานก็ไม่ขาดระยะผู้ไปสู่สวรรค์ก็ไม่ขาดระยะผู้ไปสู um um um ่มน um> ุษย um> um um> um um ์โลกก็ไม um> um> um> um> um> um um ่ขาดระยะผู้เป็นเปรตเป็นผีไม่เป็นเทวุตรเต็มเทวดาก็ตามก็ไม่ขาดระยะไม่ขาดวักขาดตอนไม่อยู่ทุกการทุกเวลาผู้บาบางก็ไปตามเบาบางผู้หนาก็ไปตามหนาไม่อยู่เสมอกันก็จริงแผ่นดินไม่อยู่เสมอกันก็จริงมนุษย์ไม่อยู่เสมอกันก็จริง แต่ว่าเป็นสิทธิของไขรของมันนเราจะเอาสิทอันไหนเราก็ต้องเลือกเอานบาปเขาช่างหัวมันบุญก็าช่างหัวมันถ้าความคิดคิดเห็นอย่างนี้เป็นเครื่องอุบอุ่นใจของเราหรือไม่ถ้าเป็นเครื่องอุบอุ่นใจของเราอยู่ก็เรียกว่าเราสร้างบาเรมียังต่ําต้อยอยู่ถ้าหากว่าไม่เป็นเครื่องอบอุ่นใจของเราเรียกว่าบาเรมีของเราแก่กล้ามาแล้วนั่นนอกจากเราไม่มีใครจะทดสอบเราได้ เราปฏิบัติมานานถึงขนาดนี้แล้ว โ, กโกรคปวดหลงของเราหายออกได้เพียงไหนเราต่างเราก็รู้ของเราอยู่ทุกท่านทุกท่านเราสามารถฆ่ามนุษย์ได้ไหมเราสามารถฆ่ามดได้ไหมเราสามารถลักทรัพย์ได้ไหมเราสามารถประพฤติผิดในกามได้ไหมเราสามารถพูดปดได้ไหมเราสามารถดื่มสุดาเมไรัยได้ไหม ก็เป็นหน้าที่ของเราจะสอบเราดูเหมือนกันถ้าเราสามารถร่วงละมือดได้อยู่ก็สอนแสดงให้เห็นว่าเรายังเป็นโคปาลศีลอยู่เพราะเหมือนนายโคบานรักษาศีลเหมือนนายโคบานเรียกโคถ้าเราไม่ เ, ลลเมสียใจอย่างร่วงระมือศีลก็รักษาเราเราไม่ต้องรักษาศีลถ้าเราเสียใจอย่าลงร่วงระมือก็เรียกว่าเรารักษาศีล ถาเราไม่เสียใจอย่างโน้นน้นเมิดก็ศีลรักษาเรานั่นนั่นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูดหรือทั่วทา้งใจโลกธาตุจะนั่นออกจากโรคพระนิพาลก็ไม่รับจะนี่ออกจากโรคพระนิพาลก็ไม่รับเพราะพระเนรพนไม่ได้มาสังคมกับพวกเราด้วยอยู่เป็นเอกเทศแล้วใครจะไปถึงหรือไม่ไปถึงก็ ต, ตามพระนิพานก็ไม่ได้เดือดร้อน แต่พวกท่องเที่ยวในวัดตาสองสารเดือดร้อนต่างอาจดจึงเป็นเมืองขึ้นของพระเนพานในไตโลกธาตุน่อมเป็นเมืองขึ้นของพระเนพานอยู่ไม่มีกลางวันกัางคืนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาสัตว์สี่เท้าสองเท่าก็ตามสัตว์เสือกสัตว์ครานสัตว์ตว่ายในน้ําดําในดินบินในอากาศก็ตามจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเป็นเมืองขึ้นของพระเนพาน เพราะถ้าไม่ไปถึงนั้นแล้วก็ยังไม่มีที่จบสิน้นไม่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็พระพุทธเจ้าองค์อื่นองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าจะมาอีกก็ตั้งแต่ล้านล้านอสังขยจะมาอีกไม่ใช่เพียงร้อยโกดพระองค์ล้านอสังขยจะมาในข้างหน้ามีอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาของกับของกันเหตุฉะนั้นลัทธิอื่นๆ จะมาอวดดีเด่นต่อรัธิพระพุทธศาสนามันก็เท่ากับแมลงวันแมลงวีไปรบกับชามากกว่านั้นอีกเท่ากับเป็นเม็ดพันธาระกาศไปคว่างใส่ภูเขาหิมาอะไรมันไม่กระเทือนกรรมและผลของกรรมเป็นบำเน็จ บ, บำนาญของ สัตว์ทั้งหลายผู้สร้างขึ้นเธอจะรู้ตัวว่าเป็นบาปหรือไม่เป็นบาปก็ตามผลของบาปของบุญก็ตามเธอไปนกมันเขียวเอานกน้อยทีนี่มันถูกญ้าออกจากวัดขาดไปมันก็ได้บุญเพราะมันไม่มีไม่มีเจตนาบุญที่ทําด้วยไม่มีเจตนาก็ได้บุญเหมือนกันส่วนบาปก็อยู่พอบาป ส่วนบนก็อยู่พอวุ่ไม่ปะปนกันเหมือนน้ำมันกับน้ำเป็นข้าเป็นธาตุตนเองที่มาท่องเที่ยวในวัดจ้าสองสาลได้ผ่านมาหมดแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็มีดินอยู่เต็มตัวพระเจ้าแผ่นน้ำก็มีน้ำเลือดน้ำหนองอยู่เต็มตัวพระเจ้าแผ่นไฟก็มีธาตุไฟอยู่ในตัวพระเจ้าแผ่นลมก็หายใจเข้าออกอยู่ในตัว ตำรวจมาว่าให้ในระหว่าง 2,500 จะไปหาจับพระพระองค์หนึ่งมันถือว่า ม, มันเป็นเจ้าผู้มีบุญเราก็ตอบว่าเออใครสร้างบุญก็เป็นเจ้าผู้มีบุญทั้งนั้นใครสร้างบาปก็เป็นเจ้าผู้มีบาปทำนั้นคุณจะไปจับเขาทําไมเราพูดอย่างนี้เงียบอะไรไม่พูดยิ้มทีนี้ไม่มีที่แสง ใครทำบุญก็เป็นเจ้าผู้มีบุญใครทำบาปก็เป็นเจ้าผู้มีบาปใครใจถึงทางบาปก็เป็นผู้เจ้าผู้มีบาปใครใจถึงทางบุญก็เป็นเจ้าผู้มีบุญคนเราใจถึงทุกท่านใจถึงในทางมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ได้สร้างบุญก็มีแต่บาปอุเทถะทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนบาปไม่มีบุญไม่มีอาิริยะทิฏฐิความเห็นไม่เป็นอันธรรมทำอะไรก็ทำไปไม่เป็นอะไรหรอก ไม่มีปืนไม่มีบาปว่าสัจทตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เรื่อยไปไม่ได้เกิดเป็นสัตว์ทีร้ายานนี่ความเห็นว่าเที่ยงตายแล้วสามารถไปเกิดเป็นสัตว์ที ร, ร้ายานก็มีสามารถไปเกิดเป็นนกเป็นหนูปูปีกก็มีนี่เรียกว่าความเห็นว่าไม่เที่ยงถ้าถึงพระสวสดาวันแล้วก็ไม่สามารถจะไปเป็นสัตว์ทีร้ายานเป็นเป็ดอสุรกาย ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นสูงมีทรัพย์สินคาร์บริวารเกิดอีกสามชาติก็มีเกิดอีกชาติเดียวก็มีเกิดอีกเกีตชาติก็ดีก็มีอธถรมามาที่ยันติไม่เอาพบที่แปดพระโสดาบันบัณฑ์ชั้นตวาพระโสดาบันชั้นกลางประเกิดอีกสามชาติพระโสดาบัน เั่นเอกไปเกิดอีกชาติเดียวเช่นมาราของพรบรมศาสดาและนางวิสาขาเป็นต้นเกิดอีกชาตเดียวก็เข้าสู่พระนิพพานพระสกทาคามีเกิดอีกสามชาติพระอนาคามีเกิดอีกห้าชาติก็มีเกิดอีก4ี่ชาติก็มีเกิดอีกสามชาติก็มีเกิดอีกสองชาติก็มีเกิดอีกชาติเดียวก็มี พราพระอามาคามีมีห้าจำพวกจำพวกหนึ่งปรฏิญพันธ์ในภพที่เกิดนั่นเองจำพวกหนึ่งกำนวณด้วยอายุอายุยาม่ทันถึงกึ่งจำพวกหนึ่งอายุจวนถึงกึ่งแล้วจวนถึงที่สุดเช่นในสุดท้าวาัดมีห้าพันกับอย่างนี่มีอเนกสงมีอายุยืนห้าพันกับสุท้าวาดัดชั้นต่ำชั้นสูงมากกว่าไปก่อนนั้น ท่านอภิหาอสปาทุสาทุตเสียการเทศกาลหมื่นกับก็มีห้าพันกับก็มีแปดหมืนสี่พันกับที่อารารุบทอุตการาบทตรามาบทนั้นอันนั้นเป็นพุทธชนคนหนาอยู่ตายด้วยภาวนาร่นร้วนแต่ไม่ใช่พระโสดาบันเพราะยังไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนายังไม่มียังไม่เกิดขึ้นมีแต่ศาสนาพรา พระบรมศาสดาเกิดขึ้นใหม่ยังไม่รู้จักพระบรมศาสดายังไม่ถึงใตสนาคมถ้าถึงใจสนาคมแล้วก็จะถึงพระโวดาวันแต่ตายไปแล้วแปด0มืนสี่พันกับแปดหมื่นสี่พันกับนั้นจะมีพระพุทธเจ้ามากกว่าแปดหมืนสี่พันองค์อีกแต่ก็ยังจะมาเกิดเป็นสัตว์ทีรชารอยู่นั่น เพราะยางไม่ถึงพระโสดาวันผู้ที่ถึงพระโสดาวันเขาไม่ลำบากในการรักษาชิ้นห้าเพราะเขาไม่แท้ใดยอยากล้วะเมิดเขาจะทำลำบากทำไมเขาไม่ลำบากในการจะสงสัยในศาสนาพุทธเขาไม่ลำบากในการจะเล่นอบายจมุกอบายจมุกไม่ได้ดองหัวใจเขาพระพระโสดาวัน หรืใช่คำว่าท่านก็ถูกเพราะท่านเป็นอริยบุคคลแล้วใช้คำว่าท่านซะไม่ใช่ได้อยากลงระเมิดสิบห้าไม่ใช่ได้อยากกระทืบศาสตราอื่นไม่เช่ได้อยากเล่นอบายจมุกไม่เช่ได้อยากจะขอดเวรท่านพ่อไ ด, ดโกรธอยู่แต่ไม่ขอดช่างเถอเคยเขาเคยทํามาแต่ชาติก่อนก็ให้แล้วกันไปซักเขามาก่อใหม่ชาตินี้ก็ให้เล่าไปซัแต่โกรธอยู่ โกรธหยาบยาบก็ถึงเบียดเบียนไม่มีโกรธไม่พอถึงจะฆ่าสัตว์ตบยุงปอกๆๆอยู่ไม่ใช่ฆ่ามดตัวหนึ่งก็ไม่มีเจตนาจะฆ่าไม่ไวยแต่เดินไปไม่เห็นไม่เสียดายอยากจะคบมิดชั่วอีกเสด้วยแต่ไม่ให้กระเทือนเขาไม่เสียดายอยากจะเอาไยผูกแขนด้วย ไม่เสียดายอยากลดน้ํามนต์อีกด้วยเราลดรน้ำมนต์ให้พวกพี่น้องทุกวันนี้หนักใจเหลือเกินแล้วก็พิกบอกว่าลดจิตลดใจให้ถึง พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ว่าเราหนักใจอยู่พราะเองผู้ใจสูงจะมาเจอมาเจอมาพบเดี๋ยวจะกล่าวตัวว่าเออว่าพระพุทธดีพระพุทธชอบลดน้ำมนต์น้นําพรหรือเป่าหัวเป่าหางให้บางท่านก็ก้มหัวมาให้เป่าให้ แต่เราก็นึกระอายพวกที่จิตสูงอยู่เราก็บอกเพื่อนว่าเออเป่าหัวให้เตือนให้ถึงพระพุทธธรรมพระสงค์เป่าหัวภายนอกคือเป่าหัวภายในเราก็พูดไปอย่างนั้นมีผู้จิตชังสูงมาอยู่ในวัดแล้วมีภูมาขอน้ามน์ก็เท่ากับว่าถือผ้าอิโต้มาฟันหัวหลวงปู่นีคนแปลกๆมาแล้วก็ถือหน้ามน์น้าพรมาให้รถ แต่การลดน้ำมนต์น้ำพรพระบรมศาสดาก็ไม่ทรง ก, ก็ไม่ทรงตีเตียนแต่แต่ให้มีขอบเขตแต่อย่าหวังค้นข้าวค่ายากับน้ำมนต์น้าพรถ้าหวังค้นเข้าวค่ายาก็เป็นอาวัตทุกกฎเป็นมิจฉาอาชีวะเรื่องชีวิตผิดส่วนบัดเบอร์โบกเบีย้ยห้ามขาดเลยพระพุทธสามเาทถือผีถือสางห้ามขาดเลย ถือเวทมนต์กนละคาถาอยู่ยงคงกพันห้ามขาดเลยน อ, อย่างนั้นคงอย่างนี้อยู่ยงคงกระพันอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามขาดในพะพ่อเมียในถือเลิกดียามดีก็ห้ามขาดพระสระดานไม่ได้ถือยลกเลิกดียามดีเวลาไหนก็เป็นเวลาของเวลาเราทําดีไปให้คะแนนเวลาเราทําชั่วไปตู่เวลาว่าไม่ดีความดีความชั่วขึ้นอยู่กับใจ คนไม่ถึงพระโสดาบันเสียก่อนมันก็ลําบากจะไปพระเนพาลพระอนุนเป็นพระโสดาบันจะเรียกว่าพระโสดาบันเอกพิชีไม่ถูกเพราะพระโสดาบันสามารถจะสําเร็จพระรหัสในชาตินั่นอยู่จะเรียกว่าพระโสดาบันเอกพิชีไม่ถูกพระอานุนวิดาของพระบรมศาสตรามารดาของพระบรมศาสตร์วิดาของพระบรมศาสตรา เป็นพระอนาคามีพระสุธโทธนะแต่พระอนาคามีชนิดนั้นไม่ได้ไปเกิดในภพมโรกเพราะสามารถจะถึงพระรหันสในชาตินั้นอยู่จะจัดไปเกิดในภพมโรกไม่ถูกหมายความว่าได้พระอนาคามีจนตลอดวันตายก็ไม่ได้เคลื่อนที่อันนั้นจึงไปเกิดในอวิหะอัตปาสุทตสาสุตสีตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดที่เกิดมีสมไปก็จริงแต่ว่า อันไม่อยากไปเกิดในภพํานั่นอ่ะมันเป็นของยากจะพูดง่ายๆว่าเออตายแค่หัวมันตายแล้วที่เกิดมีท้องไปมันก็ไม่เป็นเครื่องอุ่นใจไปเกิดในนรกเราก็ไม่ชอบเนี่ยนั่นนั่นถึงจะมีชาติมีภพอีกก็ฮับก็ขอให้เป็นอริยชาติเป็นอริยภพเป็นอริยชาติคืออะไรนอกจากพระสุวรรณวันไปเรียกว่าอริยชาติเพราะเป็นโลกุตราชาติ ถึงจะมีพบกี่พบไม่ชาติกีชาติก็ให้ถึงโลกุตระมันจึงพ้นไปจากเปรตอสุรกายสัตย์รฐานหรือสัตว์นรกถ้าไปตกนรกหรือไปเกิดสัตย์กระฉานเนี่ยกว่าจะมาเป็นมนุษย์อีกก็นานเหลือเกินนั่นนับเป็นปีในมนุษย์มันก็ตั้งล้านๆปีนั่นกาโอคะโอคะคือกาม กามาเมตกก็จัดเป็นกาโอคะเหมือนกันพระโอคะโอคะคือพบเพราะกำหนัดในการก็จัดเป็นพบเป็นที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายกามาพบลูก ป, ประพบอรูปประพบกายโยคะโอคะคือกาพะวะโยคะโอคะคือพบทิฏโขคะโอคะคือทิฏฐิทิฏฐิความเห็นว่าม่มีบาปไม่บุญอวิชโชคะคือโย โอคะคืออวิชชาไม่รู้จักบาบุญคุณโทษแล้วเอวิชชาเขามีโมหะเป็นเจ้าเรือนโยคะสี่อาสะวะสี่เหมือนกันกามาสะวะภาวาสะวะอวิชชาสะวะมีความหมายอันเดียวกามาสะวะภาวาสะวะทิศขาสะวะอวิชชาสะวะก็มีความหมายอันเดียวกันอาสะวะเป็นเครื่องรอง เครื่องดองอยู่ในกามเครื่องดองอยู่ในภพและลูก ป, ประภพอรูปประภพภพไหนๆก็ตามเพราะนี่พานไม่ใช่ภพเพราะพ้นจากภพไปแล้วพระนิ่พานไม่ใช่ชาติเรียกว่าอริยชาติเช่นพระอังคุริมาหโจรบอกน้องหญิงคนหนึ่งว่าน้องหญิงคนนั้นเขามีคันอยู่ในท่อนับแต่เราเป็นอริยชาติมานี่ เราไม่มีเกียรตนายจะฆ่าสัตว์เลยขอให้คันของนอง้องจะคลอดสบายเถิดอังคุเรมานโจรท่านอธิษฐานแล้วก็เลยคลอดง่ายนับแต่เป็นอริยชาติมานี้ไม่ได้มีเกีตนายจะฆ่าสัตว์เลยอริยชาติคือเป็นพระหานท่านเป็นพระหลานเต็มภูมิแล้วแต่เมื่อสิ้นลมปานแล้วไม่จัดกล้าเป็นอริยะชาติเพราะมันไม่มีชาติอ พระทหารสิ้นลมปราณเราจัดเป็นอริยชาติอริยชาติหรือไม่ไม่ได้จัดเป็นอริยชาติเพราะสิ้นลมปานแล้วเพราะไม่มีสมุติเสียแล้วพระทหารยังมีสมมติอยู่ผู้ยังไม่สิส no ้นลมปาณเพราะสมมุติว่าขันห้าสมมุติว่ารูปกายนามกายอยู่สมมุติว่าเราว่าเขาอยู่ส่วนพระทหารตายแล้วสิ้นลมปานไปแล้วไม่ได้สมมุติว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ว่าบุคคลเลยอนะไรเพราะมาเนสังสรรค์กับชาวมนุษย์ ผู้ที่ไปพระนิพ่านแล้วมากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในท่ามาหาสมุทรสี่มาหาสมุทรผู้ที่กําลังจะรอไปอยู่ก็ามากกว่าเม็ดทายหินเม็ดทรายในท่ามาหาสมุทรสี่มาหาสมุทรอีกบ้านกันนั่นมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาไปตามแถวตามแนวของใครของมันพว ก, วกพวกพวกบดเขาก็ไปตามเรื่องของเขาสืบไว้พวกคนพานก็สืบไปตามเรื่องของเขา พวกที่ซื้อไม่มีบาปไม่บุญก็ประจําโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยผู้ที่ซือว่ามีบาปไม่บุญก็ประจําโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยผู้ที่ซือศาสนาอื่นก็ประจําโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยพวกขี้ปงขี้เปืยพวกศาสนาพราหมณ์ก็ประจําโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยผู้ที่ซื้อศาสนาพุทธก็ประจําโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยคือพวกที่ สร้างวาลมีแก่ข้ามาแล้วพวกที่ถือษาศาสนาพุทธมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันนั่นเพราะกรรมจาแนกรับให้ต่างกันลมเข้าข้างหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มารวมกันเลยทั้งล่วงไปแล้วทั้งจะมาในอนาคตทั้งยังมีอยู่เห็นพระธรรมเลยพระอริยสงฆ์ด้วยด้านปัญญาเพราะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รวมกันอยู่แล้วดินก็รวมเป็นดินอยู่แล้วน้ําก็รวมเป็นน้ําไฟก็รวมเป็นไฟอยู่แล้ว ลมก็รวมเป็นลมอยู่แล้วพุทธธรรมสงก็รวมกันอยู่แล้วน่ะไม่ได้แตกแยกกันไปไหนเราจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่มันเป็นเรื่องของเราอีกต่างหากยินดีในพระโคตมะรรมก็กล่าวว่ายินดีในพะพุทธเจ้าทั้งหลายทุกทุกโพลเพราะเป็นคําสอนอันเดียวกันเพราะเป็นธานวัดศีลวัดภาวนาวัดอันเดียวกันนั่นนั่นนักศึกษาชิ้นห้าในศาสนาพระโคตมะ ก็ถกว่ารักษาเช่นหะในพระพุทธเจ้าทาั้งหลายที่ล่วงมาแล้วที่จะมาในข้างหน้าอีกด้วยเพราะเป็นคําสอนอันเดียวกันเนะเนี่ยนะไม่เล่าอะไรหรอกน่านี่ยข้อถามพี่หลวงวันข้ออะไรต่อไปนี่ก็หยุดสะกเรียหวังสักเขาก็ห้ามมาให้พูดมากพูดไปไหนก็ ม, นมาหาผู้พูดผูด้ฟังมันไปทไม่ไปทางอื่นหรอก พ่อพมะเจ้าเขาบวดเป็นสี่เป็นลัีธิญาได้ประมาทนะ่านพระพุทธเจ้าเนื้อเม้ามันเป็นกาแฟพเนพาได้ถ้ายังกำงานเสอยใจมันเป็นภพโลกยังไปไม่ได้ยังยังไปภมโลกวิชาภมโลกอ่ะแล้วปู่ได้ประสบแล้วเตอมจมกมในอากาศเลยไอรังกาก็มีเพาะขึ้นไปเม็ดเม็ดเลย ก็เหมือนเิมจะมาเอาล่าของเราเป็นเซน่าอนเนี้ยมีางไหมฮะไม่ผิดไมผิดไม่ผิดไม่ผิดเพราะคำันนี้มันตอบเป็นอย่างนี้ไิผิดเพอะมาพิเศษมาบอกจะขให้เนี่ย่าเาอมาตรการที่ไท ถ้า่ยังไงก็ไม่สนใจอย่างนั้นส um ักการูเข้าใ่านเลยคุณผู้ชมรับอย่างนั้นสกกรูาในเลยูมสักการูเป็นแต่สักกาเห็นนยผู้นั่งใกล้เข้าใจผ่านเป็นแต่สักการูเป็นแต่สักกาเห็นไม่กำหนัดในผู้รู้ไม่กำหนัดในผู้เห็นถ้าผู้รู้ผู้เห็นไปพข้าใานไม่ติดอยู่ในผู้รู้ด้วยไม่ได้ติดอยู่ในผู้เห็นด้วยไม่ได้ติดอยู่ในสศูนย์ด้วย ไม่ได้ติดอยู่ในตุ้นที่ได้ศูนวยอันนั้นมันเป็นมันติดกับไฟพลิงพานไถ้าในถ้าติดอยู่ในตุ้นศูนรู้ติอยู่ในอันใดหนึ่มันก็มีวิญญาณมดกไเกิดติดไม่มีตินที่จะติดมันติดกัไปได้พลังานศูนก็ไม่อยู่ไม่ศูนก็ไม่อยู่ไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดใดเลยอันนั้นติดกับไฟพลังงานได้ถ้าสําคัญตัววิทยาบทใดบทหนึ่งก็เป็นวิญญาณมาิดที่ แังยีงยังไม่เห็นาพอะรยค่ะยังยงไม่เห็นภาพอลาราานนเป็นาพเป็นพะสงฆ์อ่างเงี้ยเ่ี้ก็ได้ยินเสียงไดยินเสียงมาสแสดงะเอออันนั้นมันเป็นพ ม, มโรขกกั้นสูงยังไม่ถึงพระนิพพานพะ ม, มโก <S 2> <S 2> เดี๋ยจ้ะจะไมมล่พมโรให้ฟังพมเนี <S <S มม่ยศรัทธาพรปรหิตามมหาพมมาป ร, ริฏตาภาปมานาภา อาพัตราปริตัสุภาอตมานะสวาสุภินขะกาอสังยุขตาเวหัพราอวิหาอะตปาสุตัสาสุทัสสีอกาลิตกาชิพสี่ช้าหกชั้นอพระโมโรฟานี้ไปจึงเป็นพระเนรพานอวิหาอตปาสุรัสสาสุตัสสียังเป็นพมของพระอนาคามีอยู่ยังไม่ใช่พระเนรพานที่สวรร์หกชั้น ญาตูมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตนิ ม, มารตีก็ได้นิมิตาราสัตตีพวกมีชิ้นห้าบ้างไม่มีชิ้นห้าบ้างให้ทานบ้างไม่ให้ทานบ้างเมื่อราเลืกถือทานชิ้นภาวนาของตนก็มาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้พวกเพราะยังไม่มีชิ้นห้าบริบูรณ์พวกที่มีชิ้นห้าบริบูรณ์แล้วเป็นพระสสดิบัตไม่ใช่ยายพวกได้ให้ทานบ้างรักษาศิ้นบ้างภาวนาบ้างก็มาเกิดใน เทวโลกภคคั้นเนี่ยแถวเทวโลกภคั้เนี่ยครับขั้นตาตูมหาราชห้าิวันห้าิคืนในมนุษย์จึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในขั้นตาตูมหาราชและมีอายุห้าร้อยห้าร้อยปีทิบที่นี่กาบะกิงสามีอายุยืนพันปีทิบ ร้อยวันร้อยคืนในขั้นตาตูมจึ ง, นนงนนนนนนเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในขั้นาาาาามม น, น, นี้ร้อยวันร้อยคื น, คนในขั้นนี้จึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในขั้นนาจ่ตูมมหาราชกาตาติงสายามาดุสิตย์ยมารติปริมิตตวัสราตีถ้าหกขั้นนี้แหละนี่ร้อยวันรอยคืนจึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในขั้นนี้ ร้อยวันร้อยคืนในจึงเป็นวันหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งในนี้ร้อวันรอคืนจึงเป็นวันหนึ่งในแั่แคนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งในชั้นี้ร้วันร้ยคืนในแั่นี้จึงเป็นวันเอา้อยวันร้อยคืนในแั้นี้จึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในแั้นี้ร้วันรอคืนในแั้นี้จึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในแั้นี้ทีนี้จึงไปขั้นพรมเลยพวกพรมวเปัสสานังพวกมีประสมฌานปัสมัชฌานอย่างสามัญถ้าอย่างการ ก็ไปผมว่โบริยตาถ้าอยากละเอียดก็ไปไปมาหาผมมาพุทธิยฌานนี่นี่ทานอย่างสามัญอย่างกลางอย่างละเอียดมผ ม, ม, มก็ศึกษามหาผมมาปฏิทิศผมก็ศึกษาผมโริยตามหาผมมาไปปริิตตาพาไปอาปรมานาพาไปอาพัชลาฌานที่สองฌานที่สาม ไปพระฤาษีสุภาไปอภมาณสุภาไปทุบกินหักตาชั้นที่สามชั้นที่สี่ไปไปอสานิสกตาไปเวหพลาทีนี้ชั้นของพระสวดาวันชั้นของพระนาซันไปเอาวิหารไปอัตต า, า, าทุตสาทุตสีอสานิสกาเป็นลาดับแต่ว่าสี่พวกร้างต้นของ พระอนาคามีเช่นไปเกิดในอเวหาก็ปฏิเนปพาในอเวหาแต่กําหนดด้วยอายุและกําหนดด้วยความเพียงพวกหนึ่งเช่นไปเกิดในอตัตปาก็เจเลก็เข้าสู่พระเนปพาในอตัตปาแต่อายุาแต่กําหนดในอายุและความเพียงมีสองคติพวกวกนี้เช่นไปเกิดในอตัตตาจะเกิดเกิดในทุตักา ก็ตอนนี้ในพาในุศึกษาแต่กําหนดอายุและความเพียรจําพวกหนึจําพวกหนึ่งกําหนดอายุจําพวกหนึ่งอายุกําหนดความเพียรความเพียรนั้คือทําความเพียรมากและไม่มากพวกอายุกําหนดอายุก็มีสีพวกอายุยังไม่จําถึงกึ่งอายุถึงกแล้วกระโดดขึ้นไปนอนเนยขอไล่ลงผมไปเลยนะฮะเข้าใจนะเข้าใจจะฝากอาจารยเข้าใจอ่ะเออพวกผม พกพระคมอะไรนี่พวกไปเห็นนิมิตต่างๆพระคมพวกไปเห็นนิมิตต่างๆแสงเดือนแสงดาวแสงหรือเปลี่ยนพระอาทิตย์ก็เหมือนกันบางทีเราปฏิบัติใหม่ๆปฏิบัติใหม่เห็นเห็นพระรหันต์มาปฏิบัติใหม่ๆกระผมอยู่ชั้นนั้นใช่ไหมครับกระผมอยู่ชั้นนั้นใช่ไหมครับ ก็ผมอยู่ชั้นนันใช่ไหมครับก็ผมอยู่ชันนั่นใช่ไหมครับก็บผมอยู่ชันน้น น, นั่ใช่ไหมท่านนั่งสัจธรรมที่อยู่พระลานแล้วออกพฏิวัดใหม่อะไรก็ไม่ใหม่หร ค, ครับทอทายแล้วคุณก็แลวเรา เราคือมันเค็มเราต้องรู้จัวเองเอก็โคตรล้มของเราหายหรือไม่หายเราก็ต้องรู้จักเองและหายขนาดไหนยังเหลือขนาดไหนเราก็ต้องรู้จักเองาค่แค่ครับเราทำงานเราได้งานขนาดไหนยังยังเหลือขนาดใดเราก็ต้องรู้จกักถ้าอย่างนั้นกุมั่นสมอทราบไ โอ้มาอีกเห อ, อจะได้ซื้อหงาในวันี่สดใจในค่ำ น, นี้นี่น้ำใจในค่ำนีนน้ชีตาเจพุทธังสงอยู่ค่ำจักกวาลรอมนีประธานมาไ ว, ทาวท้ทำวิเศษนิรพานสูงสุดโลกมนุษย์ไม่ไร้ วางราพะราถูกแล้วนถูกแล้วทัทธาวิมุตตัทธาแนวแนีเนวเป็นประโยชน์ข้าบุคคลสังโรธรัดร้อยแสนเชื่อมั่นปราโมทวิมุตติพระวัตริเคลื่อนคล้อยเหาะข้ามความหลงถูกแล้ว ปัญญานั่นเองข้ามความหลงกินตะกวีกิง่งไงวะนี่้กินตะกวีมีธรรมะการสูงรวยมิจฉาวานิจชาไม่เป็นธรรมซอกซ้ำวานิจชาคล้ายเครื่องประหารยาพิษไล่ตัดเป็นตักทีวาเนื้อเชื่อฆ่ามนุษย์น้ำนรกไหม้ หมกรอสราบุญนี่เล็กน้อยสองคอนแต่เผาไปเผ า, าแห้ถิมราคาหก0มื่นราคาสาม0มื่นแต่เขาแห้ถิมไปทำสั้นสูงสั้นยัางค่านี้ยขันมูโตว่าใช่ไรกัแบบเผาถิมตี้กับวันนี้ไปเขาถิมไม่ดีองะสงคนนี้เนี่ยนั่นนแะบบ ท, ท้องแห้ถิม เพาว่าโอ้ยมึงสมมติว่าใกรผู้สันบริเลี่ยนสุกจะไปพกหัวป่าคือเขาอะไรันอันนั้นตระกกรรมห้ามาตุกข่าข่าแม่แก้วมันดาพิทุกข่าข่าวีราพ่อแก้วโลหิตุวาดสังฆเพศข้าพระหันแล้วชั่วร้ายเหลือสอนถูกแล้วข <c oughs> ้าพระหันแล้วผู้มพระตัวดับบันบ่ไรพระอังคุณีมาจน เล่าข่าคขุนข้ามดาเนเราก็เลยสามารถได้พระรหารขันรอบกับข่าวพ่อข่าแม่ข่าผู้มีคุนเท่าแล้วกับเมลัพระทหารพระองค์จึงแหวนต ร, รัสแมวนตรัสยามต่อข่าพ่อขา่าแม่ตะกี้เหมียงจังวัรษพรกรําของเราบ้ันหมดเด็กขนข้ามบันดาเไลวรับว่าเขาะรรมของอังคุลมารถวันหมดคําทั้งหลายส่วนั่วทุกประการใจประเสริฐสุดบรรยานเสร็จได้ใจมาก่อนเป็นประธานเป็นใหญ่ บาปกกรรมชดใช้เช่นล้อรอยโค ร, รอกเกียนวนมันหมุนไปตามรอยโค่เด้บาปเดือบุญเขาทาแล้วมันก็หมุนไปน้ำเหมือนกัน <c oughs> ไม่จะทาเลึกเลเซียแต่หมองท่โอ้ยตกมาอีกเนาะทมน้ำลายรถ้าลามปามเตรียมตกนรกขามหาเศ้า โคตะวมะพระโคพระโคตนามพระพุทธร่อเล่นตั้งชื่อเล่าชั่วช้าเกียบดิยิตัวเองมิเ้ธรรมสูงเกิดเป็นคนแว่นชั่วทำดีบุญส่งกืดราศีสุขราปัญญาประเสริฐดีกวา่าทรัพย์ดวงกิจไม่อ้างว่าแก้ววิเศษนรชนไหทอง ปัญญาความรอบรู้คืออาวอู่ขุมทรัพย์สติตามกรรมกับวิริยะเร่งขุดคน้นศรัทธาเป็นเข็มทิศสมาธิจิตดั้นด้นไหทองเป็นจะคนกำลังคนยังไม่พบ <c oughs> นี่ทําอะไรทุกูงเลยหม อ, อ่อเวอยู่ <c oughs> พระไรเป็นึน่งว่าท่านเล่นมอนี่พออะไรอยู่ <laughs> สนใจในธรรมสนใจในธรรมชนะธรรมทั้งปวง <c oughs> ยามจนคนเกียดแค้นชิงชังยามเมย์คนประดังนอบนกนก เหตพิกษาดกนกหวังเวียนสู่เสมอนาปางหมดผลนกพรากสิ้นบินหนีแม่นบอกยามจนคนเครียดแค้นชิงชังยามมีคนประดังนอกนกเศษพิกษาดกนกหวังเวียนสู่เสมอนาปางหัดผลนกพรากสิ้นบินหนียิ่งสูงยิ่ง ไรอันตรายเถิดพ่ออัศมีอัศเนียบาดไม้ ย, ยอดไม้รากฐานนั้นสูงในทางว่าเป็นเอวดิเสร็จคนโจรคนอ่านเนี่ยไปสูงทางว่าเป็นเอวอ่านว่าปสูงทางธรรมะด้ทางสูงธรรมะเพื่อโมริวาดิสูงทางขาพันนุ์งั่นแท่งเนี่ยทั้งคนทั้งกี้สูงไปทางนั้นช่างมันสัตมันขันโซ่เส้นควนขึง อกมัดรัดดุมลนึงผูกให้อดหญ้าอดน้าจึงเมาสางเพราะรูปพิดขอความโกรโหดร้ายเพราะช่างเมามันความรักบุดเชือกพันเหนี่ยวรั้งโทสัตฉุดแข็งขันรักขาดอาจฆ่าผู้อื่นได้ทั้งท่านผู้มีคุณมื่นหนสามารถห้ามรถจุดมาพยศสามารถจุดเหมือนครั้งอีกมื่นเกี่ยวขอหยุดคายคอยู่คายะคือา ยังไม่เท่าเนี่ยร่างโกดได้คราวเดียวตัดผมย่อมปาาแก้ม น, นักขาย่อมยดัดเป็นแดงมวิเลปนะรูปลรทาของแพวประดับแต่พัชตาพรงามเลิศข้าเลโทสะมากยิ่งแล้วเช่นนี้งามแค่ไหนแม้ขาดเครื่องรูปไ ร, ร่ฉลอมทานุ่งห่มผ้าราคาตำต้อยมีขันตีตะปะคมโกดสิ่งงยวงามแช่มช้อยเช่นนี้เพียรชม มือวักหนึ่งฆ่าสัตว์มุ่งเสพเนื้ออีกหวังกระดูกงาเขาหลังกระดูกงาเขาหนังได้ใช่แต่ก็ยังเป็นบาปกรรมเยใครฆ่าความโกรธได้ประโยชน์แท่บนเหนือเมียนบอกบนท้องเฮ้าได้เนี่ยของปืนนะฮะของปืนมาบอกือได้เนี่ยฟอโกวิโทวัดท่าขานอนชุ ร, ร่าตานีถ้าอของืนมาบอกีบนของเ้าได้เนี่ย คนจิตใจแม่ของเขาโมเมนตนีนนนนน้นี่ของพืนเม้าไม่ซื่ออนนี้ไม่เมันเท่าแกงอันนี้ขาวเจ้าข้าวแกงเกลี้ยวกับแกงม่นแมนนี่ไดขาวเจ้าเพราะทิงที่มันเป็นเขาก็ต้องให้คะแนนน้อยมันแมนได้ให้ข เ, เ, ขนนข เ, เขาเป็นถมาได้กับว่าให้คะแนนว่าเขาแมนมันอิสระเขาพอถือเมื่อเปล่ยนถ้วันเนาะ อันนี้อันน้องเ้าแท้มอยู่อันน้องเ้าเข้ า, ขาประยชนรทำผวาเหตมิไม่ทำเป็นร่องแก้วรอยแก้วอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายาภาคหมู่มาแสวงหาความสงบพบครูหาฟ้าสูงจุงกิจคิดสังเวสเป็นเหตุให้ขยันมันภาวนาถึงแม้ว่าจะโศกาพิจนารณาเวทนาทุกก็เสวยผ่อนก็ผ่อนอารมณ์ไห้ได้ ถอนอารมณ์มได้เพราะหวังพ้นภัยในวัฏฏสงสารอุทิศต่อพระนิพพานเป็นแม่นมั่นเป็นแม่นมั่นแม่ตัวนี้ไม่เอกรึไม่โทษฮะไม่เอกรอกะขันหน้ารบมารต่อต้านชิงชัยเพื่อให้มารห น, นีไปไม่คืนมาขันห้านี่แลหรืออือเป็นมารพราะบรมศาสดาการกล่าวไว้ไม่ให้ถือมั่น ใครจถือมันเป็นของหนักมัดสาลมเที่ยวยจมอยู่ในโครนวนสงสารเพราะเดินตามมานคลานตามโดนมันร่นสัตว์มัดไว้ในโรคให้โศกเศร้าหลายพระเท่าพันทวีชาตครบนับไม่ครบเลยมันเกิดปีตีมากมันกับวายอยู่พดีนดยวมันอยู่ในธรวมันหรอปีสองพันสี่รอยปสิบแปดเนนะ่อันนี้ขยับเป็นปีตีได่เนี่ยจัเป็นปีตีปีตีชาคกาตาทั้มาก เกิดปีตีแห้งาาาได้ฮาภาวน่ายฮันเทียพ้องกันทุดเสียงกันได้บเห็นทันน่ะเกิดปีตีบอกทานทุนเกิดปีตีตมากคิดว่าผู้เขาเสียมาเห็นลูกพุ่นบอลปีติเหียญตัวกัน <c oughs> <c oughs> นั่นกับเกิดปีตีนั่นแหละปีตีอันนั้นามาเตฟ ผู้เขาเป็นลูกฟุตบอลเหมนว่เกิดปีตีมาก่าสั่นทีป็นเต้พุ่นทำไมจะคากพนขอที่ขึ้นกัรในนั้นเกิดปีตีมากแล้า จ, จะมุนผู้เขาทะุฟุดออกคนัวอ๋อท่านี่ถ้าวัหน้าไปว่ า, าให้มูฟั่งมูดกับผ้าเสื้อกับเสื้อแล้ ว, ล ว, วต้องตัวเปลี่ยนมาขนาดเทาไหาทะลุผู้เขาหอบสอดตู้ขึ้นคาอ่าวะ มันหา่าแตกตายแล้วคับมั น, ม น, น, นไมกย์ในเั้นไหนอันทะลุภูเขาอาภาวนาเนกุ้เกิดปีติเยนขึ้นแลยแสงสว่งสางมันทะลุไปอย่างเสียเสียงสว่างมันทะลุภูเขาต่การตัต้ตงขัง้นประหารไปนั่แสงสว่างอันสะตัวไครทเป็นคือบาไเป็นสัตว์ภูเขามันเป็นเนยนนะัอันมือนีมันยังเป็นวิชาพวมารุกย์ได้มดนี้ยังโ ม, ง ม, ม, มเมร์พระพัไปจะแปลปุน่นจะปฏิบัต ไม่ไม่คนงานเก่าว่องว่องว่องว่องดาจีวอนเลียงเยอะเรื่องเรงหมดพาหน้าข้ากับภากเลี้ยงอยูะขึ้นเรื่อมดบัญชีท่นหลวงมากบัญิีปกลงมากขากระติบขุนอยู่ดิจับจับจับติบขุนหงกระยอนหลวงมากขาน้าข้าก็เลี้ยงขึ้นเร่องหมด้าลงกับเลี้ยงขึ้นเาื่องหมดไปไปกราบทุนหลวงผู้ใหม่พอถึงมาหอดคนหลวงปัญชิรดอยแต่ทุกเก่า ไหวเนาะอะพวกนเราจะก็ไหวยังไหวทั้งเด็กกบะโว่ายกระโบวาไหวใ่กว่วาไหว